พระธรรมเทสดาจะดกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำผูกที่สามเรียบเรียงใหม่โดยอาศัยเก้าเรื่องต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูรป ร, รียธรรมพุประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงายอาโม ตัตตาภะกาวะโตอระหโตสมมาสัมพุทตาเภตาโรกานิทัตสาวาจานังสุตวาเอวามังสุตี สาธาบูราสสปุริตาตั้งหลายภูคาดิ่งไมยไข่รอดเวียงแก้วยอดเนระปานจิงได้ละการคารวาดหยุดยังขาดเป็นห น, น้ำเอาตนจอมูเข้ามาสู่อารามจิเตียนตามถูกไตนบน้มไว้ปูจา้า ยังรัตานาะสสามสิงแก้วกัญมงกลสาร่วมตนมพำพยอมมือนอ้อมฝังทรรมจุงดาจำติดต่อตามบาดคอบาลีว่าเตพาตารดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตวยไฟบัดนี้แดดเตอ เตพาตาโรอันวาสใจผู้ปีฟังน้องจี้ไขปันกอป้ะกันตอบทอยว่าดูราน้องสอยเตียมตากำน้องจากกา่าเก่าปีหากู้ดีลีวิบากเรามีดังนี้จักลีกลีสันได แม่สายใจตายจากจุมเราหาเครื่องกาตกลุ่มตากำผ้ามีแ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่น้าไหนเฮือนมันบ่เมือนแม่เนื้อบอ่ใจจะเชือ ว, ว, วงสาจริงบ่คุณน้าไฟหอยดังลูกน้อยตัวมันเราจักป้ากันคืนสู่ ยังที่อยู่เฮือนตอนนางตารนแมนาก่อจักแจ้งดาเคขาจุมเรารามวนหมู่มีชีวิตยอยู่เหมือนตายสัมจักทารงตุกลายลำล้นบวรุจากป้นยามได้แม่เราหนี่ไปลี่ซ่อนอยู่ในบนไก่ตา เียงฮือคาเราตายกันเราพันพายต้องเดตไปอยู่เขตเมืองไกลจากไปอาศัยจอดอยู่กับเผ่าผู้ได้จาเหตุบงสาปีน้องบ่มีอยู่ห้องเมืองได้เตียงจากตกใจคำเจ้ายิ่งกว่าเก่าดีลีกันเราหนีเข้าป่า เอปายนาะเป็นหมายเตียงจากตายจู่ผู้บ่ได้อยู่นานไปเหตุสั์ดงไพราลายแหลมีจู่แงดงรี <c oughs> คือราชสีแรกจ้างเสือปากว้างมีดำตั้งยักษ์อารมพายเพตมีจูเขตดงตันกันมันหันต่อนา ย่อมกลับว่าเอาตายเราจักผ่านภายเดียวต้องไปสู่ห้องแดนใดยินตันใจลำหม้ อ, อ ก, กึดบอกหันหนอยู่เป็นคนติดต่อตุกโศกปอนำนากรวราตั้งหาตายพร้อมนาจอมกันในดงตันป่าไม้หื้อหายมนไม้มองผ่าน นั่นจันตะกุมานน้องส้อยจริงตาท้อยไข่จากกันเรารักพี่น้องจากตายอยู่ห้องดงไพรเนี่ยสันใด้นั่นใส จ, จักตายพร้อมไข่จอมกันพี่จอมควันผู้เก่าจริงบอกเล่าอุบายว่าควรเราตั้งลายมวนมู ขึ้นไปสู่ดอยผาป่าลงมาตั้งหาตายพ้อหน้าจอมกันพ่องว่ากวนภายพันเข้าป่าอสัดอยาบจ้าเอาตายือยักษพงภายแบบใบเอาไปเลี่ยงใสตัวมันพ่องว่ากวนเราก็พันวันกอดขึ้นสู่ยอดลุคขา ปเป้าลงมาตั้งหาหือความนาบำไว้พองว่ากวรเอาเครื่อไว้เส้นใหญ่มัดคอไว้ตายแควนตายอยู่แดนเถื่อนทองตั้งหาปีน้องเรารา ที่นั่นหนอพุท ธ, ธยอดซอยจริงตานท้อยจะใครว่ากันเราพร้อมใจตั้งหาตายความนาเมื่อมอนกลางดงดอนนี่สดบ่มีประโยชน์อันใด วนเราไปตีไกแม่น้ำใหญ่วังทานอธิษฐานใจรอดถึงเตายอดอินพร้อมตั้งพญายมเฮาหาตั้งนากราธรงฤิธี เทวดามีเถื่อนทองและรักสาต้องวังท่านยกตนตานสัตว์นำกุ้งเดียวพัมปูป่าตั้งสัต์นานามวนหมู่กันอยู่วังใสแล้วเปล่าไปตั้งหาือความนาว่ำวายือสัตว์ลายมวนมากได้กินสาครรา ยกตนตานนี่นะบุญกว้างบ่ออาดังกฎหมายส่วนสี่ใจผู้ปี่ฟังน้องจี้ไขปันตังหันตันจูผู้ับผาหูอาสาว่าจักไก่กาเตียวต่องไปสู่ห้องวังวนหกวิ่งโยนลงนำ้ำเอตายเสียงซ้ำจอมกัน ที่นั่นนอคุณท่านนองซ้อยจริงกาถอยกำไปว่าวันนี้ตาวันใสคำลาดาลับป่าดงนาย่มเรามาแต่เจ้าบ่หันป่อเจ้าใส่ใจป่อไปไหนไปรู้ไปตันไดอู้ไขกกำบ่ไดย่อมือต่ำขับไปือป่อไดเล่งหัน ควรเราปะกันปอกสู่ยังตีอยู่เกหาถึงวันมาพูกเจ้าก้อยลาป่อเจ้าบุญมีขอพานี้ภ่ายโผดงดเวนโตดเดิมมาแล้วเราราพี่น้องก้อยไปสู่ห้องวังทานกันหนอโปที่านน้อยนาดกก่าเสียงขาดสุดปลายตั้งสี่ใจผู้ปี กึสันทีหันตันก่อปะกันตั้งหมู่ปอกมาสู่เกหาก่อมีหันแลยนาถ้ า, าขอกาละวันนานยามนั้นกาละวันนาแม่นาได้หันหาคำใจปอกมาได้กว่าจอยจินบ่หอยมือมา มันเคืองกาโคดกาจมแจ้งดาพระพายวาสูตั้งลายใหญ่น้อยบ่อตำทอยกำกูกูจำสูเข้าป่าโะสอดลากว่างฟาน หรือสัดดงดานน้อยใหญ่เอามาเลี้ยงใสแลงง่ายกลัวบ้าหมายจากใจเฮือยียการน้อยใหญ่ได้ได้เต่าฮือสู่ไปป่าเศร้าด้าหอเขาย่อปันสู่ป้อไอปะกันตั้งหมู่ไปเล่นอยู่ในดงตาวันลงคำลาแสงวายนาคืนมา ยามการนาหน้าน้อยใหญ่ก im is ah ็อเยี่ยเวียนไขจูพักการสู่สามัญหลายแลติดเชื้อแม่ตัวมากูสั่งจ่าจ้าใจสู่บ่อใดเอากำไปดงดำเสียเป่าอย่ากินเขายามแรงหารอมแปงกำผ้าฟังแม่นาตารน ดาว่าตนบ่พ่อนต่างขวดหอนปานไฟต่างแป่งใจตั้งมันอดเยืนกันขันตีบอกไขว่ า, วาตีตอบตาเต่ า, ตานั่งก้มนาได้ได้และนะ ปุนาตีวเสกันวันลูนมารอตั้งหานยอดคำใจก่ออุบายแต่งไว้ยังนาไม่ปืนไฟตั้งปัดใจเข้าหอแล้วไปหาป่อบุญมียออนจุลีขับไวในตีไกป่าตาไขาว่าจา ต, ตันตว่าคาแด่ป่อบุญพาย บัดนี้ลูกตั้งลายจู่ผู้จากไปสู่ดงดำไปตามกำแม่น่าเปื่อกซอไหลล่ากวางทารายแม่นลูกได้ตายความนาด้วยสัตว์สวกเสือมีย้อนบ่อตั้นนีลี่ซอนตายอยู่บนดงนาขอปิตาไผ่โพดงดเวนตอดวังตำ ขอป้าป้กรรมน้อยใหญ่หมดเสียงไข่ดีลีกะบอดีผู้ป่อฟังน้อยนอไข่จ้าบอสังกาสักกากบอคืดลากสังฮอน ว่าลูกจักเมื่อมอนตายกว่าบ่ออาอนาขึ้นมาเต้าไข่จาบอกเล่าว่าจุ้มสู่เจ้าตั้งลายจักพันพายเตียวต้องเข้าสู่ห้องดงนา จุงโซหาฮือใดยังสัตวน้อยใหญ่ดวงตันย่าปักันเล่นแอวดังหลวงแล้ววันวากันปีตาคุณใหญ่บอกเสียงไข่สุดปลาย คำใจลูกเจ้าพ่อพอ่อเจ้าเต็ตมตาจักไครจายจินอยากจักออกปากยินผ่านตุกมาปานจ้องหอยนาตาก้อยมองขี้ กป้ากันนีกาผาออกไปจากเพื่อนตนปีสี่คนน้ำนาใจน้องลาจอมหลังบอคิดหวังจากปอกไหวน้าออกขึ้นมา คนนานาน้ยใหญ่อันอยู่ไกลกองตั้งหันหาบุญขวางปี่น้องออกเตียวต้องจอมกันดังตั้งวันเมื่อก่อนไผ่บ่ฮอนสังกา ว่าเด็กขากำพาจากไปความนายว่ำว้เข้าเต้าไมายขวาดรู้ว่าเตียงไปสู่ดงด้านหาอาหารเลี้ยงใส ตามดังใดเคยหันเข้าจริงใครปันบอกเล่าว่ากันสู่เจ้าคำจายได้มาไหลป่อหาปเปลือจากลาและแกงคอจุงจัดแจงแป้งฮือ ตัวขอซื้อเอาไปหาสายใจปีน้องบ่อตอบทองกำจาเต่าไก่กาบ่อจอดต่อเต่ารอดวังทานก็มีหันแหละนะา เมื่อ น, นั้นจันตะกุง ม, มาน้นองซอยดอพระยอดซอยทารงทำก่อไข่คำกาวจี้บอกสี่ปีเตรียมต้องว่าจักเป่าลงห้องวังวน ยกเอาตนพายแพเป็นตานแก่ปูป่าตั้งสัตนาณมวนหมูกาอันอยู่วังทานเอาตนเป็นตานนี้ใสมีพลาใหญ่เลือลาย เรากวนผายยายแผ่ อ, อุติสาแก่เตวดาตั้งนากาต่ำไตเตปัทไทอินพรมตั้งพนยาญมตนนฮาวหาตั้งสี่เตาราชโลกกบาล สังสัดวังทานพร้อมพัมสัดอยู่เถื่อนทรรมดงรีตั้งยักษ์พีภายเพชอันค้างอยู่เขตโลกาแล้วพาธานาเมียดไว้คือสมไฟขานิ่งหมายกันเจ้าบุญภายนองซ้อยเก่าวเสียงถอยสุดกรรมตั้งสี่องค์คำปีเก้าตัางขานิ่งเหล่าหันตัน แปลงใจมันจมื่ น, นยกมือยืนอธิษฐานตามกั้มไขรคานบอกเราแห่งน้องเนาบุญมีตีนัน่นนอบุญมีอ่อนนอ้อ ย, ยจิงเกาวถอยไข่จาว่าสีบุญนาปีเจ้าพาธนาเราสันได้ขอจุงไข่เกาอู่ห้อข้าน้องฮู้ตามราย คำใจปีเก้าจริงตาละโอไข่กำบาดุราบนนำเฮยน้องจันปีกึศดดันภาธนาว่ากันเกิดมาปายนาขอเกิดในป่าหนุ่มเขือคือเกิดเป็นเสื้อตัวใหญ่ภาพเสียงไข่ดงนาสัตนานามวนหมูบ่ออาสุผาชน ต่างเอาตนมากไกลยอมอยู่ไต้สมปานอยู่ดงด้านปากวางไัยบ่ออางราวีเตียงสัต ด, ดิคำเจ้าทะราบต่อเต้าวันตายขอบุญลหลนี่ใส่จุยหือสมไฟขะนนิ่งปองปีผู้ทวนสองตอบทอยว่าดูราน้องน้อยสายตา ปี่พาธานาตั้งไว้ขอเกิดเป็นหุ่งใหญ่บินบนฤทธิ์ที่ตนมากกว้างอาจกินจ้างปังปลายบินพันภัยไว้วงพับไข่หองดงรีพับประจาธานีต่างเต้าพับไข่าดาวนาน้ามีหุ่งดงดามากเตา้า มาแวดเฝ้าเป็นปริวานจักสำราญยังจอดอยู่บนยอดดอยภาสูงสุดตาดูอาดคือเขาไก่ลาดดอยงามปีผู้ทวนสามเกาจี้ว่าตัวปีนี่คนิงในอาทิตย์ทานใจตั้งไว พอเป็นนาคใหญ่ราชาคือเป็นพาญาแห่งนากริตที่มากเดือลายไผ่บ่อมมยเพียบไกอยู่พาสัตว์ใหญ่เจียงคานมีโยธาหานหาหาดจบชาลาเ ด, ดือรลายมาแวดย้ายอยู่เฝ้าตุกคำเจ้าขืนวันปีจอมขันทวนสีก่อเกาจีไข่จา ว่าพี่พาธานาเบียปันขอไปเกิดจันเมืองบนเป็นเตวาบุตตนวิเศษหูแจ้งเหตุเร็วไว้ <c oughs> กันคนใดใจจอดรำเปิืองรอดถึงตนฮ่บรรดุนขวาดรู้บอว่าอยู่แดนใดตั้งตีไก่และไก่เฮอรู้ใดจูพากาน สี่กุ้งมานผู้ปีใดเ ก, ก่ากี้สุดปลายตนคำใจน้องซอยนอพระยอดซอยขุนธรรมก่อไครกําเก่ากี้บอกแกสีปีเตรียมตา ว่าน้องนี่พาธานามักไฟขอเกิดเป็นแปะใหญ่คำแดงเป็นตีนนคนแยงก่าวอ้างในเมืองกว้างทานี้ยามค้าเครื่องขี่ร่อนไม่ไ <c oughs> ยะใหญ่มาเติงจักรำเปิงกึดรอถึงปีหน่อเตรียมใจคอปีไปจวยน้องฮือปนจากห้องอันตาราย ส่วนสี้ใจผู้ปีฟังน้องจี้ไข่ปันต่างป้ากันพำรู้รับคำสู้อาสาปฏิญญาแน่มันจักช่วยน้องจันจูพากัน อากุมมานพี่น้องตุกโศกต้องเหลือลายจุกยืนย้ายตีไก่ฟังน้ำใหญ่วังใสริรำไรก่าวถอยว่าเรายังอ่อนน้อยเด็กขาบ่าตันตีขาขึ้นใหญ่ปล่อยตุกเอาไม่ตั้งวันย้อนแม่จมควันตายจากเรานี่หากมองผ่านเหตตั้งมานแม่นา จมแจ้งดาเคขาได้กินน้ำตากับเขากูัวคำเจ้าไงแรงแม่จมแป้งเฮ้ยติไว้ลูกบ่อได้แต่นกุนกำเวนนุนผามั่งคือแม่ผ้าคางเบื่อมอญลูกอาวอนหล่แลให้หาแม่ตั้งวัน บัดนี้ลูกจักปากันพร้อมนาเป่วลงตาหวังวนเอาตัวตนพายแพเป็นต้านแกปูปาตายตามมานดาตีววยคือคนเหล่าว้เมือนนานหากุ ม, มารปีน้องตุกโศตองเผาล้นเข้าต่างคนต่างให้ใจเอาไม่เป็นควัน กอดข้อกันตั้งหาเปลาลงตาวางใสจมลงไปรอดปืนแล้วฟูขึ้นสามตีหลวดดับอินทีมวยมางบ่อล่อข้างคนใด นำปัดไปลอยหลองไปตามต้องวังทานกาญสังขานเปยเนาจุ้มมมเตาปูปาปากันมาแวดไกกินอิ่มใส้ไผยมันก็มีหันและนะ สูริเนอทังกตปันโทโลกาปฏิส่วนกาบดีผู้ปอบ่หันลูกน้อยนอขึ้นมาตาวันกาคำลาลงละปาดงดอนใจอาวรนไว้วันกึสอ ด, ดันเววนวาลูกข้าคนปีน้องออกจากห้องเกฮา สปายปืนยาห่อเข้าแต่เมื่อเจ้ายำง่ายว่าจักผันภัยสอดลาบุญดันป่าดงตันบัดนี้ตาวันหายกว่าป้อยบอ่อวายนาขึ้นมารอยซัดดงนาตัวหยาบคบกันกาบเอาตายหรืออยากภายถอยไรยับเอาใดป่านี้ หรือหาบุญมีปีน้องลงอยู่ห้องดงไพรย้อนไปไก่ลำหมอกบโห้ต่างปอขึ้นหนเตี้ยวเวบนลืมเล่าอยู่กลางป่าเ้าดงดาน บอกมีอาหารเลี้ยงใส่เตียงจักใดถึงตายหรือคำใจลูกป่อขึ้นสู่จอผาจันเกะกำพันบอมันเนื้อตัวสันระสาย ตกมาตายความดาอยู่กลางป่าดงดําหรืองูปิดย่ำหลายแหลบีจูแงดงควางคือจองล้างงวเห่าชกตอดหาเจ้าบำไวย หรืองูเหลื่อมลายตัวหยาบคกนสว่าปลงคอหรือหาสอบอดันป่าบอพอดาและหลังบอระวังฟังเฝ้าลวดใดถูกหาวนพราน ตั้งวิญญาณบวยมางไผ่บ่างไปหันบัตินี้ตาวันตกต่ำหากมืดค่ำจนตาจักไปเสแวงหาซอใซก็บอกหูไข่ตั้งไปตกแดนไก่หรือไก่ย่อมเป็นป่าไม้ดงดอยจักตัวหอยยินยาคุ้มย่าหากตึบตัน ลูกจอมควันเฮ้ยปีน้องแม่นไปตกอยู่ห้องแดนใดจุงเร็วไว้ป๊กปอกวายหน้าออกขึ้นมาฮือปิตาป่อเจ้าหายโศกเศร้ามองขีกะฮาบด่ดีผู้ใหญ่ใจเอาไม่เววารีร่าจากเกาท้อยมีบ่้นยไหลผ า, ากกาล <c oughs> วันนางผีมานแม่นาคือนางบาปกากาละวันนาหันสามีกาโศกเศร้าย้อนลูกเตาในตนบ่อถอยห้นขึ้นสู่ ยังที่อยู่เกหางก็จ่าตันต่อว่าแม่นฮานอคำใจจักไปตายมวยมางกลางป่ากว้างดงตันหรือจักป่ากันมีกว่าไปอยู่ต่างนาเมืองไก่ก็จุงตามใจเข่าเจ้าเลี้ยงไว้เสียเข่าได้ได้ย้มเขาตั้งลายอยู่บ้านย่อมขี้ขันเอ็นยาน แม่ไข่กําวานเกาอูเข่าบ่อหอนสูเอากำจักครับจำ่วยใจยังการน้อยใหญ่ได้ได้ย่อมดีไก่หลีเว้นแอวไปละเล่นไก่ตา เสียงดังดาหอเข้า ว, ว่าจากไปป่าเศร้าดงตันถึงตาวันคำลาจริงอายนาขึ้นมาสาวไปถงป่ามาเป่าบ่อได้เล่าอันใด ล่างเตือใไข่เก่าว่าจักไปสู่วังทานปล่อยไปสำรานเล่นอาบตามตาลาบดอนสายปอกมาได้กว่าจอยบ่ได้โดยปูป่ปา กันเข่าปอกม้าหันหนาตัวแห่งคาจักมนีย้อนเครื่องขีหลายลากอยู่ลำบากหัวใจนางจังไรใจถอยรี่รำถอยนาน า, น า, นาและนะผู้ดาตีว่าเสกันวันลุนรุงแจงหันจู่แห่งทรณีกะะบอดีผู้ใหญ่ร้อนเอาไม่เหลือลาย ก็พันภายรีพาวเข้าสู่ดาวดงตันลัดเคลื่ันป่าเาสาเสาะหาลูกเต่าได้ตนเร่งเรรนเสาะใสตั้งตีไก่และไก่ร้องเรียกไปจ้องจองพับไข่หองดงนาเวียนไปมาลืมเล่าไข่ตีเก่าลายตีเสียงบอบีตอบทอง มีแต่กางห้องไปบนฟังดังเสียงคนแต่ใส่รีบซาใส่ไปจูสั้นตาดูพอคอยเป็นวอกกางห้อยสาขา นกดาด า, ายหมูร้องท้องกูขันขันเสียงเดืองนั้นซาส้ามีจู่ดาวดงรีกะฮะบดีผู้ป่อตุกปานปอนานำเทียวเสซำสอดใสอ่พับเสียงไข่ดงดยบ่หันซาคอยลูกเต่าจักมีเหล่าแดนได้ก่อขาดิ่งหนสอดดัน ว่าลูกนอจะจอมควันเกยปะกันเตียวต้องไปสู่ห้องวังทานหาอาหารเลี้ยงใสคือสัตว์น้อยใหญ่ปูป้ารอยบุตรตาตั้งหาจากไปสู่ตานาทิกะฮะบดีผู้ใหญ่กันเกิดไข่สุดปลายก็พันภายรีพาว ไปสู่ดาววางใส่เดียบฟังไปจ้าใจพอเสียงไข่ดอนทรายบบเหมือนไหลแต่เล่าก็หันห่อเข้าทงปาตั้งปืนยาหน้าไม่วางไว้ตีไกวังวนเป็นของแห่งตนลูกเต่าแม่นแต่เล่าบอสังกา ลูกสายตาตั้งห้าหายพรากนาไปใไนร่องเรียกไปจ้าใจตั้งหน่นไตห่นเหนือตามคุ้มคือริมฝั่งตุกแกนกังเผาลน เตียวเววนลืมเล่าบ่อหันลูกเตาแดนได้ก็ใส่ใจแนมันว่าลูกหนอจันเตียมตนเตียงตกวังวนตายกว่าพร้อมตั้งหาคำาจ ห, หายบ่หมยรอดใดตายเสียงไข่ดีลีกาบด่ดีผู้ใหญ่ตกเอาม่เหลือใจนำ้ำตาไหลอาบหนา้าจมแจ้งดาติตนว่าป่อเป็นคนใบเงาเต่าฟังคำกล่าวหมุ่สาแห่งนางปาลาแม่หน้าวาลูกตั้งหาคำใจบ่ดีหลายเสียงทาน ย่อมดืดานหัวแข้งจูง่ายแรงแอวเล่นลบเลีกเว้นการเพือนปอใจเฟื่อนโคดรหม่บ่อตันใดปิจารณาตีบุตาตั้งหาจมแจ้งดาหลายทีดังบ่อผาดีลูกน้อยบ่อได้กาวทอยวอนหูบ่อได้จู้อยู่ไกลย้อนไปอยู่ให้แหลนา จุ่มบบต้าลวกเตาเตี้ยงมองมอนเสาคืนวันจริงป้ากันตั้งหมูเป่าลงสู่วังบนละหฮ่อป่อตนนี่เล่าได้ตุกไม่เอามองผ่าน กรมโบราณเก่าอูสืบแต่ปู่ปิตาว่าเผื่อหูคิงมาหากซ้อยเหตุลูกใจน้อยตายไปคนไ ก, ไก่ได้หูเตียงเก่าอูนินตาว่าปอนนีนาจังลูกเงียบบอถูกตามกองป้อเตียงมองมนเศร้าทุกคำเจ้าดีลี กะหาบดีผู้ใหญ่ตุกโศกไม่เผาลนย้อนลูกตนตั้งหาใดผากนาตายไปเต่ารำไรลืมเล่าด่าตัวเก่านานาใจเวว่าไหววันยืนบ่มันเสซ้ำก่อยยกตีนตั้มปอกสู่ยังตีอยู่เฮื่อตนก็มีวันนั้นเลยนะ เทตังขีญาสังวันานาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณแพะคำผูกทวนสามห้าใจรามปีนองจากไปเกิดทองแดนใดกันใข่แจ้งใจหู้ทีผูกทวนสี่ยังมีผูกทวนสามนีหวางลงก่อบังกมสมริจ เสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล้ว